ปริเจตที่หนึ่งสีลวิสุทธิคัมภีรวิสุทธิมรคอธิบายลักษณะของสีลวิสุทธิว่าสีลวิสุทธินามะสุปริสุธทธังปาติโมกขสังวาราธิจะตุปภิลังสีลังสีนสี่อย่างมีการสํารวมในพระปาติโมกเป็นต้นที่บริสุทธิ์ดีชื่อว่าสีลวิสุตธิ ความจริงพระอัฏกถาจารย์กล่าวเรื่องนี้โดยหมายถึงศีลของภิกษุเป็นหลักความบริสุทธิ์ของศีลจึงแยกออกเป็นฝ่ายภิกษุและฝ่ายคารวาสศีลของภิกษุนั้นมีรายละเอียดมากในที่นี้จะกล่าวเป็นแนวทางโดยสังเขปศีลของภิกษุศีลของภิกษุมีสอย่างคือปาติโมคขสังวรศีลอินทรียสังวนศีล อาชีวะปาริสุทธิีศีลและปัจจ ะ, ะสันนิสฐิตศีล ส, สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ปฏิโมคขสังวรศีลคือการสำรวมกายวาจาไม่ละเมิดสิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้และคุ้มครองผู้รักษาศีลให้พ้นจากทุกภัยต่างๆในปัจจุบันนภพบและพบต่อไป การจำรัสศีนข้อนี้ให้หมดจดพึงทราบตามพระบาลีว่าอนุมัติเตสุวัตเชสุพยะทัสสาวีสมาทายะสิกขิสิกขาปเทสุภิกษุผู้มีปกติเห็นภายในโทษมีประมาณน้อยย่อมสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายภิกษุพึงสำรวมตนมิให้ต้องอาบัติโดยดำริว่า แม้อบัตเล็กน้อยคือทุกกฎและทุกภาสิทธก็ขัดขวางมิให้บรรลุมรคผลทั้งส่งผลให้ไปเกิดในอบายภูมิอบัตเหล่านี้จึงเป็นโทษภัยที่น่ากลัวเมื่อต้องอบัตแล้วก็ควรปรงอบัตโ ด, ดยเร็วเหมือนเด็กที่จับถ่านไฟที่ติดแล้วรีบปล่อยด้วยการเข้าปริวาสอยู่มนัด สละสิ่งของที่เป็นนิสคีหรือได้รับโดยไม่ชอบธรรมและปล่อยอาบัตเสียสีลของผู้ต้องอาบัตแล้วปรุงตามวิธีการในพระวินัยและสำรวมมิให้ต้องอาบัตอีกหลังจากนั้นจัดเป็นสีลสำรวมคือปฏิโมกได้หมดจดอินทรีสังวรสิ์ คือการสำรวมอินทรีย์ไม่ให้กิเลสรั่วรถทางทวารทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจข้อนี้มีนพิสดารจะกล่าวถึงในโอกาสต่อไปอาชีวปาริสุทธิ์ที่ศีลคือการเลี้ยงชีพที่บริสุทธิ์โดยสแสวงหาปัจจัยสี่อันได้แก่จีวรบิณฑบาต ท, ที่อยู่และยาโดยชอบธรรม และหลีกเลี่ยงจากการสแสวงหาโดยไม่ชอบธรรมเช่นขอจากเครือหัดผู้ที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาเป็นต้นโดยองค์ธรรมได้แก่วิริยะความเพียรที่สแสวงหาปัจจัยโดยชอบธรรมที่ปรากฏข้อความในคำภีวิสุทธิมักว่าปัจจะยะปาริเยสนวายาโม О. ความเพียรในการสแสวงหาปัจจัย ภิกษุผู้แสวงหาปัจจัยโดยไม่ชอบธรรมย่อมจะต้องอาบัตหลายอย่างตั้งแต่ปาราชิกสังฆาทิเศษทุลจัยและทุกกดอาบัตส่วนใหญ่มักเป็นอาบัตทุกกดแม้ในขณะที่จะบริโภคปัจจัยที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรมนั้นก็จะต้องอาบัตทุกกดเช่นกันเมื่อต้องอาบัต ด, ดังนี้แล้วศีลที่สำรวมในปาิโมก ของภิกษุก็ไม่หมดจดจัดเป็นอันตรายต่อการไปสู่สวรรค์และการบรรลุมรรคผลภิกษุผู้ต้องอาบัตต้องปรงอาบัตตามวิธีที่กล่าวมาแล้วศีลจึงจะบริสุทธิ์ได้อีกและพ้นจากอันตรายข้างต้นภิกษุจึงควรรักษาศีลที่เกี่ยวกับการเลี้ยงชีพอีกด้วยปัจจะยะสันนิสิตาศีล คือสีลที่อาศัยปัจจัยหมายถึงการพิจารณาประโยชน์ของการใช้สอยปัจจัยสีว่าเรานุ่งห่มชีวอนเพื่อขจัดความหนาวความร้อนภิกษุจึงควรพิจารณาประโยชน์ของปัจจัยสีเพื่อให้สี น, นี้หมดจดในขณะบริโภคอาหารควรพิจารณาทุกคาข้าวหรือพิจารณาหลังบริโภคแล้ว ก่อนถึงรุ่งอรุณของวันใหม่ถ้าลืมพิจารณาจนกระทั่งถึงอรุณขึ้นจัดเป็นผู้บริโภคติดหนี้คืออินาปริโภคดังที่ได้กล่าวไว้ในคัมภีอัตถกถาคําว่าอินาปริโภคในวงเล็บผู้บริโภคนี้นี้ไม่ได้หมายความว่าภิกษุจะต้องไปใช้หนี้ให้แก่ทายกในภพหน้า แต่หมายถึงการบริโภคเหมือนติดหนี้กล่าวคือทานที่ถวายแด่ภิกษุผู้ทรงศีลจัดว่ามีความหมดจดแห่งทักษิณามิได้พิจารณาย่อมมีศีลไม่หมดจดผลทานของทายกจึงไม่มีอนิสง์มากภิกษุนั้นเหมือนติดหนี้ผลทานแก่ทายกจึงกล่าวว่าเป็นผู้บริโภคติดหนี้ดังสาทกในคัมภี์มหาตีกาว่า อินาวะเสนะปะริโพโคอินาปริโพโคปฏิคาหักะโตทักคินาวิสุทธิยาอาภาวโตอินางคะเหตวาปาริโพโควิยาติอัโทการบริโภคโดยความเป็นหนี้ชื่อว่าการบริโภคติดหนี้หมายความว่าเหมือนการบริโภคโดยติดหนี้เพราะ ไม่มีความหมดจดแห่งทักษิณ า, ายะถาอินายิโกอัตโนโรุจิยาคันตุงนละปะติเอวังอินาปาริโพขยุตโตโลกโตนิเสริตุงณนะพลติลูกนี่ย่อมจะเดินทางไปไหนมาไหนตามความต้องการของตนไม่ได้ฉันใดภิกษุผู้บริโภคติดนี่จะพ้นไปจากโลกไม่ได้ฉันนั้น ภิกษุผู้ละเลยการพิจารณาประโยชน์ของปัจจัยสีมักมีความผูกพันในปัจจัยเหล่านั้นและอาจจะไปเกิดในทุกติภูมิได้พระดิกาจารย์จึงกล่าวว่าภิกษุผู้บริโภคนี้จะพ้นไปจากโลกไม่ได้พึงทราบข้อความนี้ตามเรื่องพระติดสะที่พบในคำพีธรรมบทในสมัยพุทธกาลมีภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าติสะ มีความผูกพันในจีวรเมื่อมอรณาภาพแล้วไปเกิดเป็นเลนในจีวรเมื่อเหล่าพิสุจะแบ่งจีวรของท่านเลนก็ร้องห้ามว่าอย่าแย่งจีวรของฉันพระพุทธองค์ทรงได้ยินเสียงนั้นด้วยทิพยโสดจึงทรงดำริว่าถ้าภิกษุแบ่งปันจีวรทําให้เลนโกรธแล้วจะไปเกิดในอบายภูมิพระองค์จึงโปรดให้เลื่อนการแบ่งจีวร น, นั้นไปอีกเจ็ดวัน พอถึงวันที่7็เลนก็ตายไปแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตพระองค์จึงไปโปรดให้แบ่งปันจีวรได้เรื่องที่เลนตายแล้วไปเกิดในสวรรค์นี้ทําให้ทราบว่าถ้าภิกษุไม่มีความผูกพันในบริคารก็อาจไปเกิดในสวรรค์ได้หลังจากเสียชีวิตหากพระพุทธองค์ไม่ได้โปรดให้เลื่อนวันแบ่งปันจีวรเลนก็จะตกนรกแน่นอน จะเห็นได้ว่าความผูกพันในบริขารเป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงพระพุทธองค์ทรงเล็งเห็นความนี้จึงตรัสพระคถาว่าอยะสาวะมะลังสมุติตังตทุตถายะตเะมวะขาทติเอวังอติโทนะจารินางสานิกรรมมานินยันติทุกติงสนิมเกิดแต่เหล็กกัดกินเหล็กฉันใดกรรมที่ตนทาไว ย่อมนำคนเค้าไปทุกติฉันนันในเรื่องนี้มีบางแห่งกล่าวว่าภิกษุผู้ติหนี้ในการบริโภคจะต้องชดใช้หนี้ให้แก่ทายกและไม่อาจบรรลุมรรคผลในภพนี้ได้ความเห็นนี้ไม่ปรากฏในพระไตรปิฎกและอัตถกาา แม้พระดิกาจารย์ก็ไม่ได้อธิบายไว้ตามในนี้และมีความไม่เหมาะสมอีกด้วยเพราะถ้าเป็นความจริงภิกษุผู้ติดหนี้ในการบริโภคก็จะมีโทษมากกว่าผู้ต้องอาบัตประราชิกเสียอีกด้วยเหตุที่บุคคลนั้นสามารถบรรลุมรรคผลได้เมื่อดำรงอยู่ในภาวะคริหัดหรือสัมเนนดังกล่าวไว้ในคัมภี์อัตกถาของอังคุตรนิกายว่า ภิกษุห0สรูปผู้ต้องอาบัติปราชิกเหล่านั้นเมื่อสดับพระธรรมเทศนาอักคิคขันโธปมาสูตรนี้แล้วเกิดความสลดใจสละศีลพระมาดำรงอยู่ในฐานะสามเณรแล้วยังศีลสิบให้ครบถ้วนเพียงประกอบนโยนิโสมนสิการบางรูปได้เป็นพระโสดาบันบางรูปเป็นพระสกทาคามี บางรูปเป็นพระอนาคามีบางรูปไปเกิดในเทวโลกพระธรรมเทศนาพระธรรมเทศนามีประโยชน์แม้แก่บุคคลผู้ต้องอาบัติประราชิกแล้วอย่างนี้ความจริงพระพุทธองค์ทรงทราบว่าพิสุหกสีรูปเหล่านั้นต้องอาบัติประราชิกจึงเสด็จออกจาริกเพื่อแสดงพระสูตรนี้ในคมภีอธิกถากล่าวว่า พระองค์ทรงแสดงพระสูตรนี้ในระหว่างทางที่เสด็จไปจึงทำให้ทรงทราบว่าภิกษุเหล่านั้นเมื่อต้องอาบัติก็ยังดำรงอยู่ในภาวะของภิกษุตลอดระยะเวลาหนึง่งและแม้ภิกษุผู้ต้องอาบัติป ร, ราชิกก็อาจจะบรรลุมรรคผลได้เมื่อสละเพศบรรพชิตดังนั้นภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์แต่ไม่ได้พิจารณาปัจจัยสจึงบรรลุมรรคผลได้ นอกจากนี้เทศนาที่พระพุทธองค์ทรงแสดงให้พิจารณาปัจจสี่นี้เป็นสุดตันตเทศนามีใช่ข้อบังคับทางพระวินยัยดังนั้นการมิได้พิจารณาปัจจัยจึงไม่เป็นการล่วงละเมิดพระวินยัยและไม่ใช่เป็นการล่วงละเมิดอย่างอื่นที่ต้องห้ามสำหรับการไปสวรรค์เป็นต้นการลืมพิจารณาปัจจสี่จึงไม่เป็นโทษหนัก มีโทษเท่ากับอุบัติขึ้นทุกกฎในคำพีอธิกถาได้ปรับอาบัตแก่พิกษุผู้บริโภคยาโดยไม่ได้พิจารณาโดยหมายถึงการบริโภคยาในลักษณะที่เป็นอาหารมิใช่บริโภคเมื่อมีเหตุจาเป็นตามโรคนั้นๆเพราะพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการบริโภคยาเมื่อมีโรคเท่านั้นดังนั้นการไม่ได้พิจารณาปัจจัยสี่ จึงไม่ใช่เหตุแห่งการต้องอบัต ด, ดังสาทกในพระวินัยปิฎกว่าภิกษุย่อมรับยามกาลิกสตาหกาลิกและยาวชิวิกเพื่อเป็นอาหารต้องอบัตทุกกฎและต้องอบัตทุกกฎในทุกขณะที่กลืนกินข้อสำคัญที่ขาดไม่ได้คือความเข้าใจรู้จักพิจารณาอย่างถูกต้องสมมติว่า ในเวลาเช้าเมื่ออรุณขึ้นแล้วภิกษุสํสำคัญว่าอารุณยังไม่ขึ้นหรือสำคัญว่าพ้นไปจากเที่ยงวันจึงบริโภคอาหารที่เป็นยาวกะลิกจัดว่ามีเจตนาล่วงละเมิดสิขาบทจึงต้องอบัตตามพระบาลีว่ากาเลวิกาละสัญญีอาปฏิทุ ก, กตัดสะพิกษุสํสำคัญการว่าเป็นวิกาต้องอบัตทุกกดด้วยเหตุนี้ การที่ภิกษุบริโภคยาไม่ได้พิจารณาต้องอบัตทุกกฎจึงหมายถึงการล่วงละเมิดสิกขาบทมิใช่หมายถึงการลืมพิจารณาปัจจัยดังคมพีดีกาทั้งหลายกล่าวว่าแม้ภิกษุลืมสติบริโภคปัจใจสีแต่ได้สติพิจารณาก่อนอรุณขึ้นจัดว่าศีลข้อนี้หมดจดสิ่งของที่พระพุทธเจ้าทรงอนุ ญ, ญาตให้ภิกษุรับประเคน และฉันได้มีสี่อย่างคือหนึ่งยาวกาักัลิกคืออานที่เป็นของขบเคี้ยวฉันได้ตั้งแต่เวลาอารุณขึ้นเป็นต้นไปจนถึงเที่ยงวัน 2. ยามกาักัลิกคือน้ำปานะฉันได้ตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปจนถึงอรุณของวันใหม่ 3. ส, สัตตาหกกาลิกคือเพสัตห้ายอย่างอันได้แก่ เนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งและน้ำอ้อยฉันได้ภายในเจ็ดวันหลังรับประเคณแล้ว 4. ยาวะชีวิตคือยาฉันได้เมื่อเจ็บป่วยโดยไม่มีกำหนดอนหนึ่งความเห็นข้างต้นยังขัดแย้งกับมติของเถรวาทที่พบในคัมภีร์อัตถิถาอีกด้วยส่วนพระจุลนาคผู้ทรงพระไตปิฎกกล่าวว่า การสำรวมพระปาติโมก์อย่างเดียวเป็นศีลแต่ไม่ปรากฏในคมพีที่กล่าวว่าศีลที่เหลือสามอย่างเป็นศีลแล้วกล่าวคัดค้านความเห็นข้างต้นนั้นว่าธรรมดาของการสำรวมอินทรีย์เป็นการคุ้มครองทวารหกความหมดจดในการเลี้ยงชีพก็เป็นการสแสวงหาปัจจัยโดยชอบธรรมส่วนศีล ที่อาศัยปัจจัยก็เป็นเพียงการบริโภคโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของปัจจัยที่ได้รับแล้วการสำรวมพระปาติโมกจึงเป็นศีลโดยตรงศีลนั้นของภิกษุใดเสียหายแล้วภิกษุนี้ไม่ควรกล่าวว่าจากรักษามือเท้าไว้ได้เหมือนบุรุษผู้มีศีรษะขาดแล้วแต่ศีลของภิกษุใดไม่บกพร่อง ภิกษุนี้ชื่อว่าสามารถรักษาชีวิตไว้ได้โดยกระทำมือเท้าให้เป็นปกติเหมือนบุรุษผู้มีศีระอยู่พระจุลนาคนี้เกิดก่อนพระพุทธโคษาจารย์เป็นเวลานานท่านเป็นผู้ทรงพระไตปิโดกและเป็นที่เคารพนับถือของพระอธกถาจารย์และพระดีกาจารย์ความเห็นของท่านจึงควรเคารพยกย่อง ท่านมีความเห็นว่าเมื่อปาติโมคขสังวรศีลยังมีอยู่แม้ศีนอื่นจะบกพร่องไปก็สามารถแก้ไขได้เมื่อศีนทั้งสี่หมดจดดีก็นับว่าเป็นศีนของผู้บริสุทธิ์สามารถบรรลุมรรคผลได้ดังนั้นความเห็นที่ว่าภิกษุผู้ติดอยู่ในการบริโภคไม่อาจบรรลุมรรคผลในภพนี้ได้ จึงขัดแย้งกับสาธกที่นำมาแสดงไว้ข้างต้นเพราะปัจจัยสนิสิตะศรีลอาจแก้ไขได้เหมือนศีลที่ยกเว้นปฏติโมคขังวรศีลการพิจารณาประโยชน์ของปัจจัยศีนี้โดยองค์ธรรมคือปัญญานับเข้าในปัญญาสิกขาไม่นับเข้าในศีลสิกขา แม้ในพระสูตรและพระอภิธรรมได้กล่าวถึงศีลข้อนี้ด้วยคำว่าปัจเจเวคาการพิจารณาโพชเนมัตตัญญูผู้ไม่รู้ในการบริโภคโพชเนมั ต, ตัญยุตตาความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคและปฏิเสวานาปหาตับพระอาสวะกิเลสเป็นที่พึ่งด้วยการพิจารณา และมีกล่าวไว้โดยความเป็นศีลโดยตรงนอกจากนี้การพิจารณาดังกล่าวย่อมเป็นไปเพื่อมีให้เกิดกิเลสในขณะบริโภคปั จ, จัยสีเวลาพิจารณาจึงควรประกอบด้วยปัญญาที่ตระหนักถึงประโยชน์จากการพึ่งพาปัจจัยอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นเพียงการออกเสียงสาธยายหรือทำวินัยกรรม ดังเช่นอธิษฐานหรือวิกัปปนาเพื่อให้สามารถใช้สอยชีวรได้โดยสะดวก <_ T> การพิจารณาย่อมสำเร็จด้วยการเจริญวิปัสนาผู้ที่เจริญวิปัสนาโดยกําหนดธาตุสีหรือสิ่งปฏิกูลในขณะรับปัจจัยสีหรือใช้สอยปัจจัยเหล่านั้นแม้จะไม่ได้พิจารณาประโยชน์ของปัจจัยก็เหมือนกัน การพิจารณานั่นเองเรื่องนี้จะปรากฏพิสดารในศีลของคารฤหัดดังสาทกว่าจีวอนเป็นต้นพิจารณาโดยความเป็นธาตุหรือโดยความเป็นของปฏิกูลในเวลาที่ได้รับแล้วเก็บไว้เมื่อพิกษุใช้สอยในภายหลังจากนั้นการใช้สอยย่อมไม่มีโทษเลยแม้การพิจารณาในเวลาใช้สอยก็เช่นเดียวกัน สรุปความว่าการพิจารณาประโยชน์ของปัจจัยสีหรือการเจริญภาวนาโดยกำหนดรู้ว่าเป็นเพียงแต่ธาตุหรือสิ่งปฏิกูลจัดเป็นปัจจัยสันนิสิตาสีนิกสุผู้พิจารณาเช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัจจัยสันนิสิตาสีลิบบริสุทธ อินทรีสังวรศีลการใช้สติสำรวมอินทรีเพื่อไม่ให้เกิดกิเลสในขณะที่วิญญาณหคือจิตที่เห็นได้ยินรู้กลิ่นลิ้มรสรู้สัมผัสและนึกคิดเรื่องราวต่างๆที่กำลังรู้อารมณ์ทั้ง6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมที่มาปรากฏทางทวารทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ ชื่อว่าอินรียสังวรขณะนี้อธิบายการสำรวมอินรีทางจากขุทวานการสำรวมทางทวานอื่นที่มีในเดียวกันพระพุทธองค์ตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจากุนารูปังทิสวาณมิตร ต, ตักคาฮีโหตินานุพพยันชนักคาฮีภิกษุเห็นรูปด้วยจักสุแล้วไม่ถือเอารูปร่าง ไม่ถือเอาเอาวัยวะน้อยใหญ่คัมภีรอธิกถาอธิบายข้อนี้ว่าทิฏฐามเตเย ว, วะสันทาติย่อมดำรงจิตไว้ในสภาวะเห็นเท่านั้นในคัมภีฎดีกาได้อธิบายว่าภิกษุควรยังจิตสำหรับรู้ภาวะเห็นเท่านั้นได้เกิดขึ้นไม่ควรใส่ใจต่อความงมงายหรือความงามของสิ่งที่เห็น โดยคล้อยตามพระบาลีว่าทิเททิฏฐะมัตตังภวิสติในขณะพบเห็นวิสภาคารมบุคคลผู้รับรู้รูปร่างสันฐานหรืออวัยวะน้อยใหญ่ของบุรุษหรือสตรีต่างเพศกันกิเลสคือราคาย่อมเกิดขึ้นจึงไม่สมควรใส่ใจต่อรูปร่างสันฐาน หรือเอาอายวะน้อยใหญ่เช่นใบหน้าดวงตาจมูกพร้อมทั้งอากับกิริยายิ้มแย้มผู้จาชำเลืองตาเป็นต้นแต่ควรดูหมู่ที่32มีจริงตาเห็นสมมติคือผมขนเล็บฟันหนังกระดูหรือกำหนดรู้ความเป็นมหาภูตรูปและอุปทายารูปที่มีจริงตามปารมัต ด, ดังคำพีอธกถากราวว่า ยังทัตตะภูตังตเตวะคันหาติภิกษุย่อมถืออรูปที่มีจริงในรูปนั้นในที่นี้จะกล่าวถึงการเกิดวิธีจิตที่มีการสํารวมอินทรีย์หรือขาดการสํารวมอินทรีย์ตามที่คำมพียอธกถาแสดงไว้กล่าวคือเมื่อสีต่างๆคือรูปรมณ์ปรากฏทางจักขุทวาน อวัชณะจิตพิจารณารูปารมณ์นั้นเองเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงปัญจทวาราวัชนะจิตดับลงแล้วในลำดับนั้นจะขูวิญญาณจิตผู้เห็นรูปอารมณ์สัมปติชนะจิตที่คล้ายกับรับรู้รูปารมณ์สันติรณจิตที่คล้ายกับผู้ไต่สวนรูปารมณ์ วอทัพพนะจิตที่คล้ายกับผู้ตัดสินรูปารมณ์จิตเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นตามลำดับตามลำดับแล้วก็ดับตามตามกันไปหลังจากวอดทัพพนะจิตดับลงแล้วกามชวนะจิตดวงใดดวงหนึ่งที่มีโยนิโสมนสิการเป็นต้นเป็นปัจจัยโดยมากย่อมเกิดหลายขณะในวงเล็บ6หรือ7ขณะ ถ้าสังวรธรรมคือศีลสติปัญญาขันติและวิริยะเกิดขึ้นในชวนจิตทางจักขุทวารการสำรวมอินทรีย่อมปรากฏทางจักขุทวารภิกษุนั้นชื่อว่าอินทร์สังวรศีลหมดจดในกรณีตรงกันข้ามถ้าอสังวรธรรมคือความไม่มีศีลการลืมสติความหลงความไม่อดทน และความเกียจคร้านเกิดขึ้นในชวนาจิตการสำรวมอินทรีย์ย่อมไม่ปรากฏทางจักขุทวาลพิกษุนั้นชื่อว่ามีอินทรีย์สังวรศีลบกพร่องสังวรธรรมและอสังว ร, รธรรมในบรรดาสังว ร, รธรรมห้อย่างประการแรกคือปาติโมกขสังวรหมายถึงการสำรวมในพระปาติโมกดังคำพีอัตกถากล่าวว่า อิมินาปาติโมกขสังวะเรนะอุเปโตโหติอุโมเปโตติอยัางปาติโมกขสังวโรสังวร น, นี้คือภิกษุเป็นผู้เข้าถึงแล้วถึงพร้อมแล้วด้วยปาติโมกสังวรละศีลนี้ชื่อว่าปาติโมกชื่อว่าปาติโมกขสังวรความไม่มีศีลคือความวิบัติแห่งปาติโมกขศีน เป็นการต้องอาบัตเพราะล่วงละเมิดศิขาบททางกายและวาจาแต่ความไม่มีศีลในเรื่องนี้เกิดทางมโนทวารไม่ใช่เกิดทางทวารห้าเพราะเป็นวีติกะมะกิเลสทางใจส่วนอสังวรธรรมสอย่างอื่นเกิดทางทวารทั้ง6นี้กล่าวไว้ในคำพีมูลดีกาและวิสุทธิมักมหาดีกา สังวรประเภทที่สองคือสติสังวรจัดเป็นอินทรีย์สังวรศีลอย่างแท้จริงโดยองค์ธรรมคือสติเจตสิกที่คุ้มครองไม่ให้เกิดกิเลสทางทวารทั้งหกตามสาธกในคัมภีร์อัตถกถาว่ารกเตจักขุนทริยังจักขุนทริเยสังวรังอาปัชตีติอายางสติสังวรโรสังวร น, นี้คือ ภิกษุย่อมรักษาอินทรีย์คือจักสุย่อมถึงความสำรวมในอินทรีย์คือจักสุชื่อว่าสติสังวรส่วนความไม่มีสติเป็นการลืมกำหนดรู้เท่าทันสภาวธรรมที่มาปรากฏทางทวารทั้งหกโดยองค์ธรรมคือโลภาเจตสิกที่เรียกว่าอภิชาและโทมนัสสมจริงดังพระบาลีว่า จากขุนทริยังอสังวุตตังวิหรันตังอภิชาโทมนัสส า, าปาปกาอากุศลาธรรมมาอันว่าเวยุงอกุศลุลธรรมที่ต่ำสามคือความละโมบและโทมนัสย่อมรัวรสผู้ไม่สำรวมจากขุนสีอยู่สังวรประเภทที่สามคือญาณสังวรโดยองค์ธรรมคือปัญญาที่เป็นอรยิยมรรค ที่ละกระแสบาปอันได้แก่ตันหาทิฏฐิอวิชชาโดยเด็ดขาดสมจริงดังสาทกว่ายาณิโสตานิโลกัสมิงสติเตสังนิวาระนังโสตานังสังวรังภรุมิปัญญาเยเตปิทียยเรติอยังยานะสังวโรสังวรนี้คือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกะระอจิตตะกระแสล่าวใด มีอยู่ในโลกสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นตถาคตกล่าวสติว่าเป็นเครื่องกั้นกระแสรกระแสเหล่านั้นย่อมถูกตัดขาดด้วยปัญญาชื่อว่าญาณสังวรในคัมภีวิสุทธิมักกล่าวว่าแม้ปัจจะยสันนิสิตสีน์ก็จัดเข้าในญาณสังวรและ ว, วิปัสนาญาณก็ควรจัดว่าเป็นญาณสังวรเช่นกัน เพราะความปิดกั้นกระแสกิเลส ท, ที่เป็นอา ร, รม์มณนานุสัยเป็นต้นมาโดยตตงังฆะปหานะด้วยอำนาจของวิปัสนามีกำลังมากกว่าการปิดกั้นกิเลสด้วยการพิจารณาประโยชน์ในการใช้สอยปัจจัยสดังคำพีมหานิเทศกล่าวว่าสัพเพสังขาราอนิจจติชาณโตปัสะโตปัญญาเยเตโสตาปิทยันติ ภิกษุเมื่อรู้เห็นว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงย่อมปิดกั้นกระแสเหล่านี้ด้วยปัญญากราวโดยสรุปยาณสังวรหมายถึงปัจจะญสันนิษสิตสีนวิปัสนาญาณและปัญญาที่เป็นอริยมรรส่วนความหลงในองค์ธรรมคือโมหะเจตสิกที่ตรงกันข้ามกับยานทั้งสามนั้นสังวรประเภทที่4คือคันติสังวร ความอดทนไม่ให้เกิดความขัดใจในขณะประสบกับความเย็นความร้อนความหิวกระหายตลอดจนสัมผัสที่ทนได้ยากและคำด่าว่าติเตียนโดยองค์ธรรมคืออโทสะเจตสิกสมจริงดังสาทกว่าโยปนายังคโมโหติสิตัสสะอุหัสสาติอธินาอเยนะอาคตโตอยังขันติสังวรโร นามอนหนึ่งสังวรที่มาโดยในเป็นต้นว่าภิกษุเป็นผู้อดทนต่อความหนาวเป็นผู้อดทนต่อความร้อนนี้ชื่อว่าขันติสังวรสังวรประเภทที่หคือวิริยะสังวรความเพียรเพื่อละกามวิตกเป็นต้นสมจริงดังสาทกว่าโยจายางอุปนังกามวิตตะกัง นาทิวาเสติติอธินาอเยนะอาคโตอายังวีริยะสังวโรนามะอันหนึ่งสังวรที่มาโดยในเป็นต้นว่าภิกษุไม่ยอมให้กามวิตกซึ่งเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ภายในชื่อว่าวิริยะสังวรวิริยะสังวร น, นี้โดยองคธรรมคือวิริยะเจตสิกที่จัดเป็นสมปะปทาน ดังข้อความในพระบาลีว่าอนุปันนานางังปาปากานางังอกุศลานางังธัมมานางังอนุ ป, ปาทฐาะฉันทางชเนติวายามติจิตตังปะคันหาติปะทาหัติภิษุย่อมยางฉันทะให้เกิดย่อมเพียรประคองจิตบากบันเพื่อมิให้เกิดอกุศลธรรมอันตําซา ม, ามที่ยังไม่เกิดขึ้น ในคำพีวิสุทธิมักกล่าวว่าแม้อาชีวะปริสุทธิศีลก็จัดเข้าในวิริยะสังวรในกรณีตรงกันข้ามความเกียจคร้านที่เป็นอกุศลละจิตตุปาตซึ่งมีถินนิทธะเป็นประธานจัดเป็นอสังวรธรรมประเภทสุดท้ายในบรรดาสังวรธรรมห้าอย่างนี้ ศีลสังวรจัดเป็นการสำรวมในพระปาติโมกโดยตรงแม้ปัจจยะ ส, นสันนิจตศีลที่นับเนื่องเข้าในญาณสังวรและอาชิวะปาริสุดที่ศีลที่นับเข้าในวิริยะสังวรก็จัดว่าเป็นศีลอย่างที่สองและที่สามด้วยเหตุนี้จึงไม่นับอินทรีสังวรศีลเข้าในศีลสามอย่างข้างต้น เพราะถ้านับเข้าเช่นนั้นก็จะมีศีลหนึ่งอย่างเท่านั้นไม่มีสี่อย่างตามที่กล่าวมาแล้วอันหนึ่งอินทรีย์สังวรศีลย่อมหมดจดด้วยสังวรสี่อย่างนอกจากปฏิโมคขสังวรและในสังวรสี่อย่างเหล่านั้นญานสังวรไม่อาจเกิดขึ้นก่อนการปฏิบัติธรรมเพราะจัดเป็นวิปาาัสสนาญาณ และมรรคยานซึ่งเป็นผลของการเจริญวิปัสนาส่วนสังวรสามอย่างคือสติสังวรขันติสังวรและวิริยะสังวรเป็นธรรมสำคัญในการเจริญอินทรีย์สังวรศีล